ควรทำบุญบ่อยๆพระพุทธภาษิตปุญยันเจปุริโสกยีรากยิราเทนางปูณัหปุณังตุมหิชั่นดังกยิราถะสุโคปุญญสักุจโยแปลความว่าถ้าคนรทำบุญก็ควรทำบุญหรือความดีนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขอธิบายความ เรื่องบุญได้พันธนามาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรคนี้เรื่องการทําความดีและความชั่วบ่อยๆมีผลแก่อุปนิสัยและจิตใจอย่างไรได้พันธนามาแล้วในเรื่องที่สองแห่งวรกนี้ในที่นี้ขอพูดถึงเรื่องความพอใจในบุญและการสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขตามลําดับการที่จะให้มีฉันท่าในบุญหรือคุณความดีนั้นเบื้องแรกต้องพิจารณาหาคุณหรืออานิสงค์ของบุญก่อนตรึกตรองให้เห็นบุญว่าเกี่ยวข้องกับชีวิต มีประโยชน์กับชีวิตอย่างไรพระพุทธศาสนาแสดงว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากกิดโชคมนุษย์สปติลาโภเพราะต้องเกิดด้วยพลังกุศลกรรมในชาติก่อนพลังกุศลกรรมหรืออนุภาพแห่งบุญนี้เองส่งให้มาเกิดในกำเนิดมนุษย์อันถือว่าเป็นภูมิสุขติตามทัศนะแห่งอวิธรรมวัฏสงฆาสุขติภูมิมีเจ็ดคือมนุษย์หนึ่งและสวรรค์หก เมื่อคำนึงถึงว่าเราเกิดมาได้โดยบุญดังนี้ก็จะได้มองเห็นคุณค่าหรืออานิสงแห่งบุญอันหนึ่งแม้เกิดมาด้วยบุญแล้วก็ยังมีการแบ่งแยกว่าบุญมากบุญน้อยบุญพอประมาณผู้เกิดด้วยบุญมากย่อมเกิดในสกุลดีมั่งคั่งไม่ลําบากฟืดเคืองด้วยอาหารที่อยู่อาศัยมีสุขภาพดีมีรูปงามเสียงไพเราะเป็นต้นส่วนผู้เกิดด้วยบุญน้อย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 สิ่งต่อบแบนี้ก็ตามมาคือความบากบั่นในการทำบุญความสนใจใฝ่หาแตเรื่องทำความดีและปัญญาพิจารณาไตร่ตรองหาอุบายในการทำความดีให้ดีที่สุดเพราะความดีนี้เองความสุขจึงเกิดขึ้นในชีวิตเป็นความสุขที่ละเอียดประณีตเกี่ยวกับใจจึงอยู่มนุษย์เราย่อมหาความสุขความเพลิดเพลินได้หลายทางแต่ความสุขที่เกิดจากบุญหรือคุณความดีนั้นเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยโทษ เป็นความสุขที่สะหาดเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้สแสวงหาความสุขด้วยการทำความดีมันมีร่องรอยฝังอยู่ในใจนานเท่านานพระสภาสิ์นี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบนางเทวธิดาข้าวตอบคือราชเทวธิดามีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองราชคกความว่าสมัยนั้น พระมหากสปะอยู่ที่ถ้ำปิดพลิคูหาเข้าฌานเจ็ดวันออกจากฌานแล้วตรวจดูที่ภิกขาจารเพื่อปรดคนที่ควรปรดได้เห็นอุปนิสัยอันงามของหญิงรักษาไร่ข้าวสาลีคนหนึ่งซึ่งกำลังเด็ดรวงข้าวสาลีทําเข้าตอกอยู่ทราบดุยาณของท่านว่าหญิงนั้นมีศรัทธามีใจกล้าในการทาบุญเมื่อทาบุญแล้วจะได้สมบัติมากพระเถระ ตกลงใจไปที่นาข้าวสาลีของหญิงนั้นเธอเห็นพระเถระแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้หยุดเอาข้าวตอกมาเกลียลงในบาทแล้วไหว้ด้วยเบญจางขประดิษฐเบญจางะประดิษฐ น, นั้นคือการไหว้ที่ประกอบด้วยองค์ห้าคือหน้าผากหนึ่งข่าทั้งสองและฝ่ามือสองจดลงกับพื้นตั้งความปรารถนาว่าขอดิฉันเพิ่งมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านได้เห็นแล้ว หมายความว่าขอให้ได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วบ้างพระมหากระสปะอนโมธนาว่าขอความปรารถนาเชนั้นจงสำเร็จเถิดนางไหว้พระเีละแล้วเดินกลับงูพิษตัวหนึ่งกัดนางถึงตายที่ขนานั่นเองเธอมีจิตเลื่อมใสทํากาละแล้วเกิดในวิมานทองในภพดาวดึงประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นนางนุ่งผ้าที่ผืนหนึ่ง พรมผื้นหนึ่งมีนางเทพอับสรนจำนวนพันแวดล้อมยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับด้วยขันทองคําเต็มด้วยข้าวตอกย้อยระยะนางใคร่โครวนว่าสมบัติเห็นป่านี้เราได้เพราะอาศัยอะไรหนอได้เห็นว่าเพราะถวายข้าวตอกแด่พระมหากษัตริยเธอคิดต่อไปว่าเราได้สมบัติเห็นป่านี้เพราะบุญเพียงเล็กน้อยเราไม่ควรประมาท ควรจักประจําการบำรุงพระเถระทําสมบัติให้ถาวรดังนี้แล้วถือไม่กวาดและกระเช้าสําหรับเทขยะมูลฝอยทําด้วยทองคําไปกวาดบริเวณที่อยู่ของพระเถระตั้งน้ำฉันน้ำชายไว้แต่เช้าตรู่พระเถระเห็นทุกอย่างอยู่ในสภาพเรียบร้อยเข้าใจว่าภิกษุหนุ่มหรือสามเณรบางรูปมาทําไว้ให้ในวันที่สองก็เหมือนกันแต่พอวันที่สามพระเถระได้ยินเสียงไม่กวาดของนาง เห็นแสงสว่างแห่งสรีระชายเข้าไปทางช่องลูกดานจึงเปิดประตูออกมาถามว่าใครนั่นกวาดบริเวณอยู่ข้าพเจ้าคือราชาเทวธิดาอุปถายิกาของท่านนางตอบอุปถายิกาชื่ออย่างนี้ของเราไม่มีพระเถระพูดนางเล่าความเป็นมาทั้งปวงให้ท่านฟังเธอมาทําให้ทั้งเมื่อวานนี้และมาวานนี้ด้วยหรือใช่พระคุณเจ้า จงกลับไปเชเถอเทพธิดาที่ทําแล้วก็เป็นอันแล้วไปต่อไปอย่ามาทําอย่างนี้อีกขอได้โปรดเถิดพระคุณเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้ทํากิจนี้ต่อไปเพื่อรักษาสมบัติของข้าพเจ้าให้มั่นคงหลีกไปเถอเทพธิดาอย่าได้มาทําอย่างนี้อีกพระเถระขอร้องแก่ บ, บังคับการกระทําของท่านไม่เหมาะแก่เราพระธรรมก็ถืกรุ่นหลังจัดกำหนดเราได้ว่าได้ยินว่าเทพธิดานางหนึ่ง มาปฏิบัติพระมาหาคสตะอยู่เป็นประจำมีการตั้งน้ำฉันน้ำใช้เป็นต้นเธอจงไปเถิดแล้วจะมาที่นี้อีกนางอ้อนวอนอยู่หลายครั้งแต่พระเทระหายอมไม่ในที่สุดท่านกล่าวว่าเจ้ามิได้รู้จักประมาณตนเสลยนางมิอาจตังรออยู่ได้อีกต่อไปจึงเหาะขึ้นไปในอากาศประคองอัญชลีร้องให้คร่ำโคลนอยู่ว่าท่านเจ้าข้า โปรดอย่ให้สมบัติที่ข้าพเจ้าได้แล้วต้องพินาเสียเลยจงอนุญาตให้ข้าพเจ้าทํากรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสมบัตินั้นเถิดพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในคันทักดีทรงสลับเสียงเทพที่ดันนั้นร้องไห้ทรงแผ่พระรัศมีไปตระดุดประทับนั่งอยู่ตรงหน้าของนางพล่างจัดว่าความสมํารวมระวังเป็นหน้าที่ของกัตริยบุตรของเราส่วนการทําบุญเป็นหน้าที่ของผู้ต้องการบุญ การทำบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขทั้งในภพนี้และภพหน้าดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมสืบต่อไปว่าปุญญเจปุริโซกยีราเป็นต้นความว่าถ้าบุคคลจะทำบุญควรทำบุญนั้นบ่อยๆมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นเมื่อพระาศาสดาเทศนาจบลงเทพธิดาได้สำเร็จโสดาปฏิผลในอาคารนั่นเองขอกล่าวถึงจริยาของพระมหากัตริอีกเล็กน้อย โดยปกติท่านเป็นผู้สำรวมระวังเคร่งครัดมากได้งดเว้นการกระทำอันจักเป็นตัวอย่างทางไม่ดีแก่ผู้อื่นและกระทำกิจอันจักเป็นตัวอย่างทางดีแก่คนรุ่นหลังไว้มากแม้เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันหากท่านเฉยเสียก็ไม่มีความสร้าหมองแก่ท่านเพราะท่านเป็นอรหันต์หมดกิเลสแล้วใครๆก็รู้แต่ท่านเกรงว่าอนุบันปัิตในรุ่นหลังจักถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างด้วยอ้างท่านมะมหากัสปะเป็นอุทาหรณ์ว่า แม้ท่านมหากัสสาเถระยังมีนางเทพิดามาอุปถัมภ์บำรุงปัดกว่าเสนาสนะและตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไ้ให้ฉะไหนเราพวกเราจะมีสตรีไว้ปฏิบัติหน้าที่เช่นนั้นบ้างไม่ได้ดังนี้แล้วพากันม่วสมด้วยสตรีมีสตรียอยู่ใกล้คิดความด่างพร้อยแห่งสินความวิบัติแห่งสินก็จะเกิดขึ้นแก่พิสุเป็นอันมากปฏิปทาของพระมหากัสสะในเรื่องนี้น่าจะเป็นเนติ หรือทิฏฐาทุคติอันดีของพระทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะพระผู้ใหญ่ซึ่งต้องอบรมคุรบุตรเป็นอันมากควรเว้นขาดจากการกระทำทุกอย่างอันจะเป็นตัวอย่างทางไม่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง